ทุกขติวินิปาตพยสูตรว่าด้วยธรรมที่ให้พ้นภัยคือทุขติและวินิบาต 1,011. ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมพ้นภัยคือทุกขติและวินิบาต ท, ทั้งปวงธรรมสี่ประการอะไรบ้าง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 พยาสูตรที่5จบ